วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษสัตผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติ ทำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้สร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจการฟังธรรมนี้สามารถฟังได้สองลักษณะด้วยกันฟังเพื่อให้เกิดความสงบเรียกว่าสมาธิหรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญา เกิดความรู้เกิดสมาทิฐิขึ้นอยู่กับวิธีของการฟังการที่จะฟังให้เกิดสมาธิก็คือฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องคิดตามฟังเอาเสียงธรรมมาเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้พุโทโธพุโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออก ก็ใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์แทนก็ได้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการใช้พุทธโธเพราะว่าถ้าใช้พุทธโธก็ต้องคอยบาริกรรมพุทธโธพุทธโธถ้าหยุดพุทธโธเมื่อไหร่ใจก็อาจจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือถ้าดูลมหายใจลมหายใจก็เป็นของที่ละเอียด อาจจะไม่สามารถดูได้ถ้าจิตยังไม่มีสติกำลังพอแต่การฟังเสียงธรรมนี้เป็นการฟังที่ง่ายเพราะเสียงธรรมนี้เป็นเสียงที่ได้ยินอย่างชัดเจนบางท่านผู้ที่ฝึกสติฝึกสมาธิใหม่ๆอาจจะใช้การฟังเทศฟังธรรม เป็นการฝึกสมาธิไปก่อนเพราะถ้าให้บริกรรมพุโทโธก็จะทำได้ไม่นานสิบนาทีก็อาจจะหยุดไปแล้วใจก็เริ่มคิดเรื่องๆๆน้เรื่องนี้ใจก็จะไม่สงบหรือถ้าจะให้ดูลมก็ยังดูไม่ได้มองไม่เห็นลม ก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสบายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้มีสติอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเราอยากจะฟังเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความนิ่งความสงบ ก็อขอให้เราฟังเสียงธรรมไปเพื่อลงับความคิดปรุงแต่งถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฟังธรรมฟังเสียงธรรมไปเกาะติดกับเสียงธรรมไปเรื่อยๆอใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ตลอดระยะของการแสดงธรรมซึ่ง การแสดงธรรมแต่ละครั้งก็ตกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็าสามารถนั่งเฉยเฉยนั่งฟังธรรมนั่งธรรมสมาธิได้อย่างสบายในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าให้ทำเองจะรู้สึกว่ายากบางทีทำไปพุทโธไปได้สิบกว่านาทีหรือยี่สิบานาทีก็จะหมดกำลังใจก็จะเริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็จะเกิดความอยากที่จะลุกออกจากสมาธิไปนี่คือการฟังธรรมเพื่อให้เกิดสมาธินี้เกิดความสงบคาว่าสมาธินี้ก็มันมีหลายระดับด้วยกัน<ม>การฟังธรรมนี้อาจจะได้ระดับที่ยังไม่เลิก<ม>ทำใจให้สงบระ ง, งับจากความคิดปรุงแต่ง คือให้ลดน้อยลงความคิดปุุงแต่งให้ลดน้อยลงไปแต่ยังไม่ถึงกับจุดที่เราเรียกว่าจิตรวมเป็นสมาธิจิตรวมนี้ต้องความคิดต้องหยุดคิดไปอย่างน้อยก็อย่างอย่างน้อยก็ต้องห้านาทีคือใจต้องไม่คิดอะไรอยู่กับเสียงธรรมไปอย่างเดียวถ้าอยู่ได้ตลอด5้านาทีใจก็จะจมีโอกาส รวมเข้าสู่สมาธิได้นี่ก็เป็นวิธีการฟังธรรมเพื่อทำให้ใจสงบสำหรับผู้เริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆที่รู้สึกว่าไม่สามารถนั่งสมาธิได้เป็นเวลายาวนานโดยลำพังคือให้พุโทโธก็พุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็พุโทโธก็หายไป ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เข้ามานั่งไปได้ไม่นานใจก็เริ่มมีความพุ่งสร้างขึ้นมามีเรื่องราวต่างๆให้คิดให้กังวลให้อยากจนในที่สุดก็ต้องถนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะกาลังของสติที่จะสร้างพุทโธขึ้นมาเพื่อ ก, กำกับใจเพื่อควบคุมใจนี้มีน้อย อาจจะพุโทโธพุธโทโธตอนเริ่มต้นได้สักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวปับก็เผอไปคิดเรื่องนั้นเผอไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ดึงกลับมาหาพุโทโธพุธโทโธอยู่ได้สักเมื่อกี่นาทีวินาทีก็กลับไปคิดอีกนี่จะเป็นลักษณะของผู้ที่เริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆการใช้การฟังธรรมนี่ก็เป็น อุบายวิธีอย่างหนึ่งสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้เพราะเรามีเครื่องบันทึกเสียงธรรมเทศนาตา่างๆหรือมีการแสดงทำถ่ายทอดสดไปทุกที่ทุกแห่งที่มีมือถือก็สามารถที่จะรับฟังได้สมัยก่อนนี้ไม่มี การแสดงธรรมผ่านทางสื่อต่างๆถ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องรอไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปได้เฉพาะวันพระวันหยุดทำงานแต่สมัยนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาเราอยากจะทำให้ใจสงบเมื่อไรถ้าเรายังไม่สามารถ ใช้พุโทโธพุธโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเขาออ้าเราก็ใช้เสียงธรรมของการแสดงธรรมเทศนานี่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกรรมฐานของจิตใจเรียกว่าธรรมานุสติเวลาเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี่เราเรียกว่าพุทธานุสติ คือกาลักถึงพระพุทธเจ้าก็คือพุโทโธพุธโทโธถ้าเราเ ล, ลกเลกเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมก็เรียกว่าธรรมานุสติมีสติเราเลึกรู้อยู่กับธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอานาปานาสติอานาปานาแปลว่าลมเข้าลมออก สติก็คือการดูนั้นคือการดูก็คือการรู้สตินี้คือการรู้รู้อะไรต่างๆต้องรู้ด้วยสติถ้าไม่มีสติก็เป็นเหมือนคนหลับคนเมาสุรายาเมาคนไม่มีสติมีอยู่สามสี่จำพวกด้วยกันคือคนคนที่นอนหลับนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีสติคนที่ดื่มสุรายาเมา จนเกิดอาการคออออวบคุมใจไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นคนเมาคนเมาก็ไม่มีสติออคนที่สามที่ไม่มีสติก็คือคนเสียสติออที่เราเรียกว่าคนบ้าออพวกคนที่เสพยาบ้าทั้งหลาย เ, ออเป็นพวกที่เสพยาเข้าไปเราทำให้ไม่มีสติ ไม่สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวการกระทำทางกายทางวาจาได้แล้วพวกสุดท้ายก็คือคนตายคนตายนี้ก็ไม่มีสติร่างกายนี้นอนนิ่งเฉยไม่สามารถทำอะไรได้การที่เรามาฝึกสติกันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าไม่มีสติแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ที่ความสงบของใจและการที่จะทำให้ใจสงบได้ จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้กํากับใจเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี้ต้องขอให้เรารู้ว่าเราต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่านั่งเฉยๆเช่นนั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดปล่อยให้ใจทาอะไรไปพอนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมักจะไปยังอะไร มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นมาภายในใจได้ดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ใจแสดงอาการอะไรต่างๆไม่ต้องการให้ใจคิดตรงแต่งให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือเกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมานเช่นพวกที่เขาเรียกเข้าเจ้าเข้าสงฆ์นี้เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของการนั่งสมาธิ แบบไม่มีสติไม่มีสติคอยกํากับใจปล่อยให้ใจแสดงอาการต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปหลงกับอาการต่างๆว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กลับมาเกิดเป็นพรมเป็นเทเเป็นท้าอริยะบุคคลอะไรต่างๆอันนี้มันเป็น ความคิดปรุงแต่งของจิตคิดไปเองเนั้นไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใด mm hmm. ถ้าไม่มีสติสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงแต่เป็นผลที่เกิดจากการไม่มีสติการปล่อยให้จิตจินตนาการสร้างอะไรต่างๆขึ้นมามาหลอกใจ ใจที่ไม่มีปัญญาก็จะเป็นใจที่เชื่อเห็นอะไรก็จะเชื่อทันทีคิดพอคิดว่าเป็นอะไรก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นทันที mm hmm. นี่แหละคือลักษณะของการของคนที่ฝึกสมาธิแล้วเป็นบ้าไปเ mm hmm. พราะว่าไม่รู้จักวิธีฝึกสมาธิที่ถูกต้องนั่นเอง แต่ถ้ารู้จากวิธีที่ถึกสมาธิที่ถูกต้องนี้จะไม่เป็นบ้าโดยเด็ดขาด mm hmm. จะมีแต่ความสงบ mm hmm. มีแต่ความนิ่งมีแต่ความสุขปรากฏตามมา mm hmm. นั้นการจะฝึกสมาธินี้ก็ต้องศึกษาวิธีของการฝึกของการนั่งสมาธิว่าต้องนั่งแบบไหนแล้วนั่งเพื่ออะไร mm hmm. บางคนก็ได้ข้อมูลผิดๆมาคิดว่านั่งสมาธิเพื่อให้ระลึกชาติได้ให้เห็นนรกให้เห็นสวรรค <c oughs> ์ให้เห็นกายทิพย์เห็นโลกทิพย์อะไรต่างๆเห็นเปรตเห็นอสุรกายสิ่งเหล่าลนี้เขามีจริงเขามีอยู่ของเขาแต่ผู้ที่จะเข้าถึง สิ่งนี้ได้นี่ต้องจิตต้องรวมก่อนต้องเข้าสู่ระดับอัปปนาสมาธิก่อนแล้วค่อยออกไปทางอุปจารสมาธิต่อไปแต่ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่จิตยังไม่รวมเกิดตอนที่จิตรวมนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งต่างๆของจิต ซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธินี้ก็ต้องรู้ว่าเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นความคิดปรุงแต่งของใจที่ยังไม่สงบของใจที่ยังไม่รวมหรือว่ามันเป็นของจริงถ้ามันเป็นของจริงนี่ ใจต้องรวมเข้าสู่ความสงบก่อนแล้วพอเข้าสู่ความสงบแล้วไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆเอาไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้แหละจะเป็นของจริงที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิ<ม>เป็นความสามารถพิเศษของจิตที่สามารถที่จะเข้าสู่โลกทิพ ด้วยพลังของอุปจารสมาธิสามารถที่จะไปพบป่ากรรสัตว์โลกที่มีแต่กายที่พวกที่เป็นเปรตก็ดีสุลกายก็ดีพวกที่เป็นนรกก็ดีหรือพวกที่เป็นเทพเป็นเทพในระดับต่างๆก็ดีอันนี้ผู้ที่มีพลังจิตมีสติ ที่สามารถที่จะเข้าสู่อุปจารสมาธิได้ก็จะสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้และลึกชาติได้หรืออาจจะมีหูทิพย์ตาทิพย์มีความสามารถที่จะอ่านความคิดของผู้อื่นได้ผู้กำลันงนั่งคิดอะไรอยู่คนที่มี อุปจารสมาธินี้พอส่งจิตไปถึงบุคคล น, นั้น mm. ก็จะรู้ว่าบุคคล น, นั้นกำลังคิดอะไรอยู่กำลังด่าใครกำลังสาบแช่งใครอยู่หรือเปล่า mm. อันนี้มันเป็นสมาธิพิเศษ mm. ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติสมาธิกันทุกคน mm. เป็นส่วนน้อยมีมีปริมาณน้อยมาก ในวงการปฏิบัติที่จะมีผู้ที่สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได้และก็เป็นสมาธิที่ไม่ได้สนับสนุนการไปเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาเพื่อที่จะมาใช้ในการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชา ตัวที่มาสร้างความทุกข์ตัวที่มาสร้างพบสร้างชาติให้แก่จิตใจให้จิตใจตั้งเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นเวลาอันยาวนานอุปจารสมาธินี้ไม่มีกำลังของอุเบกขาไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาเกิดกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่เคยเข้าสมาธิไม่มีสมาธิ พอโลภอะไรก็อยากได้กพอยากอะไรก็อยากได้เพราะโกรธอะไรก็โกรธหักห้ามารมณ์ไม่ได้สมาธิแบบนี้มีคุณและก็มีโทษจะมีคุณก็ต่อเมื่อเอามาใช้เพื่อที่เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่พวกกายทิพย์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ตัดสู้แล้วได้เจริญปัญญาแล้วดุดพ้นจากความทุกข์กำจัด ก, กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้พลังจิตผูออ้ประจารสมาธินี้มาในการแสดงธรรมให้กับพวกกายทิศ ทุกๆคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเข้าอุปจารสมาธิแล้วก็ติดต่อกับพวกกายทิพย์ที่อยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะมีเทวดาที่ได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรล้สามารถที่จะสอนพวกกายทิพย์พวกเทวดาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องรอมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีคำ มีทมคำสั่งคำสอนให้กับพวกเทวดาโดยตรง mm. เพียงแต่มาฟังเทศฟัธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือมาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า mm. มีคำถามอะไรก็ลากเปลี่ยนคำถามได้ mm. ซึ่งเหตุการณ์หนี้ถ้าท่านศึกษาวระไตวปิกท่านก็คงจะได้ยินพระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงทำให้กับพวกเทวดา ตอบคำถามของเทวดาทำให้เทวดานี้บรรลุมากผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมาก <S <S เช่นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่คลอดเจ้าชายสิทธัตถะออกมาได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสัูวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงใช้อุปจาราสมาธินี้ค้นหา เข้าไปในโลกทิพย์เพื่อค้นหาว่าพุทธมารดาตอนนี้อยู่ในโลกทิพย์ชั้นไหนออสามารถติดต่อกันได้หรือไม่ออในที่สุดก็ส่งค้นพบและติดต่อกันได้เออมื่อได้ติดต่อกันได้พบกันก็สามารถแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาได้ออมีอยู่พรรษาหนึ่งที่ทรงทรงโปรดสแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาทุกคืน ด้วยการเข้าไปในอุปจารสมาธิแต่คนที่ไม่เข้าใจหลักเรื่องของจิตเรื่องของพลังจิตนี่ก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปอยู่ในโลกสวรรค์พาร่างกายที่เป็นขันห้าที่เป็นธาตุสี่นี้ไปสวรรค์แต่ความจริงร่างกายอยู่ในโล ก, กทานไม่สามารถไปในโลกทิพย์ได้ ผู้ที่จะไปในโลกทิพย์ได้นั้นต้องเป็นกายทิพย์กายทิพย์ก็คือจิตใจนี่เองที่เราเรียกว่าธาตุรู้ผู้รู้การที่กายทิพย์นี้จะเข้าไปสู่โลกทิพย์ได้ติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้ต้องอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตต้องอยู่ในระดับอุปจารสมาธิถึงจะเข้าไปได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกสมาธิจะไม่เข้าใจ ได้ฟังว่าพระเจ้าไปสวรรค์ไปเทศผลพุทธมารดาสามเดือนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าไปค้างแรมบสนสวรรค์สมเดือน mm hmm. แต่ความจริงร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ก็อยู่ในโลกนี้ทําภารกิจตามปกติเช้าก็ทรงสเสด็จออกบินถ่าย mm hmm. บ่ายก็แสดงธรรมให้กับศรัทธายาโยมตอนค่ำก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณี mm hmm. สามณรนักบวชทั้งหลายพยายามดึกถึงจะไปโลกทิพย์ด้วยการส่งกระแสจิตไปไปด้วยกระแสจิตไปด้วยจิตด้วยกำลังของอุปจารสมาธิส่งไปคนนี้คนที่คิดว่าพระเจ้าไปโปรดพุทธมันดาหลังจากสามเดือนก็จะเสด็จลงจากสวรรค์ ก็เลยมีกามเชื่อในเรื่องของการทำบุญตัดบาทเทโวว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่สวรรค์สามเดือนด้วยกันจิตของพระองค์นี้ต้องเป็นจิต ท, ที่สงบผ่องใสเบิกบานบุญบา ร, รมีมากวันวันที่ออกพรรษาก็เป็นวันที่พุะเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ลงมาเขาจึงสร้างบันได ตามวัดที่มีภูเขาแล้วก็ให้พระเนนเดินลงมาจากยอดเขาเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของการที่ไม่รู้จักเรื่องของจิตเรื่องของกายทิพย์เรื่องของอุปจารสมาธิ คามจริงร่างกายนี้ไม่สามารถไปสวรรค์ได้อยู่คนละภพกันอยู่คนละร่างกายอยู่โลกโลกโลกธาตโลกของธาตุสี่ดินน้าลมไฟส่วนจิตใจนี้อยู่ในโลกทิพย์จิตใจจะเข้าสู่โลกทิพย์ได้ก็ต้องมีกำลังของอุปจาระสมาธิ อันนี้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิเพื่อให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกและน่าชื่นชมยินดีแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คุณไม่มีคุ ณ, ไ ม, มคณไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจต่อการยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับอริยมรรคอริยผลได้ เพราะว่าไม่มีกำลังของอุเบกขาไว้คอยสนับสนุนให้จิตนี้เอาไปใช้ในการกำจัดกิเลสตัณหาในรูปแบบของสังโยชน์สิบประการได้การที่จะละสังโยชน์สิบได้นี้จิตจะต้องมีสมาธิในระดับอับปปนาสมาธิมีอุเบกขาเคยใจเป็นกลางสักแต่ว่ารู้ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หงพอใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าตัวที่มาสร้างความทุกตัวที่มาสร้างภพสร้างชาติให้กับจิตใจอยู่เรื่อยๆก็คือตัณหาความอยากหรือสังโยชนิสิทประการนี้พอรู้ว่าจะต้องละสังโยชนิสิทประการถ้าไม่มีกําลังของอุเบกขาของสมาธิมาสนับสนุน ก็จะไม่สามารถละสังโยชน์ได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถบรลาารลุเป็นพระอริยขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอหรหันได้ถ้าจิตไม่ได้มีจิตไม่รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิตั้งอยู่ในความสงบว่างสบายมีอุเบกขา เป็นพลังของจิตคนที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้นี้จิตต้องรวมเป็นสมาธิก่อนถึงจะมีแล้วก็รวมอยู่ในสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิคือไม่เข้าไปในในอุปจารสมาธิ <Yeah. S 2> ถ้าไปในอุปจารสมาธิอุเบขาจะไม่มีอาจจะมีของแปลกๆให้ดู เห็นกายทิพย์เห็นโลกทิพย์ระลึกชาติได้อ่านความคิดของผู้ได้เป็นต้นสมาธิแบบนี้ไม่มีคุณประโยชน์ต่ อ, อการพัฒนายกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับปัญญาเพื่อให้ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆถ้าไปติดในอุ ป, ปจารสมาธิแล้วก็จะ ปิดปิดการพัฒนาจิตใจก็<ม><อ>จะติดอยู่ขั้นนี้ไปเรื่อยๆ<ม>แล้วก็จะอาจไปหลงคิดว่าเป็นอริยมรรคอริยผลคิดว่าสามารถมีความสามารถพิเศษเหล่านี้จะทำให้ตนเองนี้ดับความทุกข์ได้ดับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้แต่มันทำไม่ได้เช่นพระเทวทัตนี่ท่านก็ เป็นสาวกของเป็นผู้เป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแนละ้วมีศรัทธาออกบวชนะหลังจากบวชก็บำเพ็ญจนได้อุอปจารสมาธิก็เลยคิดว่าตนเองเก่งตนเองมีความสามารถพิเศษ mm hmm. ก็เลยถึงกับขออนุญาตพระพเจ้าให้แต่งตั้งให้เป็นผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไป mm hmm. แต่พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธก็รู้ว่า ใจของพระเทวทัานนี้ยังไม่ได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆความโกรธต่างๆไม่สามารถที่จะมาปกครองผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมผู้ที่จะปกครองผู้อื่นได้ต้องมีใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นกลางใจที่เป็นเหตุเป็นผลไม่มีอคติไม่มีความรักชังกลัวหลงพระพุทธเจ้าก็เลยส่งบัติเสธไป แต่ทรงตัดว่าแม้แต่พระอัครลสาวกสองรูปคือพระสาวริบุรกับพระโมคคลานะผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้มีแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนพระองค์เลยแล้วฉะไหนจะมาแต่งตั้งให้กับพระเทวทัตได้อย่างไรหลังจากที่ตัดไปเทวทัตก็เกิดความโกรธขึ้นมาภายในใจเกิดอาฆาตพยบาบัพทขึ้นมา อยากที่จะล้างแค้นฆ่าพระพุทธเจ้านี่แหละคนที่มีอุปจารสมาธิคิดว่าตนเองเก่งคิดว่าตนเองสามารถทําอะไรก็ได้ก็เลยคิดที่จะปลงพระชนโพธิเจ้าถึงสามครั้งครั้งแรกก็ส่งจ้างพวกพวกมือเปิรนพวกนักฆ่าจ้างคนไปฆ่าแต่ก็ไม่สําเร็จ ครั้งที่สองก็ปล่อยช้างให้ออกมาเหยียบพระพุทธเจ้าในขณะที่พระเจ้าเดินผ่านมาช้างมันก็ไม่เหยียบด้วยพลังความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์ประสาททั้งหลายช้างเห็นพระเจ้าแทนที่จะเหยียบก็ก้มลงกราบแทนครั้งที่สามก็พยายามที่จะแอบขึ้นไปอยู่บนเขา รอเวลาที่ผู้เจ้าเดินผ่านมาก็จะกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาเพื่อให้อให้ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ทําได้เพียงแต่มีสเก็ดหินนี้ไปทําให้พระบาศของพระพุทธเจ้าห้อเลือดเ mm hmm. ทนั้นเองพฤติกรรมเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นอนันตฤกยกรรม mm hmm. เป็นกรรมที่หนักอย่างยิ่ง mm hmm. หลังจากที่ได้พยายามทํากรรมทั้งสามนี้แล้วนี่ ใจของพระเทวทัตก็มีแต่ความรุกร้อนความของไฟนะแล้เผาผลาญจิตใจทําให้อยู่อย่างไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยดังนในที่สุดก็ต้องยอมไปขอเข้ามาต่อพระพุทธเจ้าอแต่ระหว่างทางก่อนจะไปถึงก็มีแผ่นดินไหวมีแผ่นดินสูบก็เลยพอแผ่นดินจะสูบไปถึง ถึงคอก็ขอถวายกรรมเป็นเครื่องขอกมาลโทษกับพระพุทธเจ้าเนี่พระพเจ้าบอกว่าการที่เขามีความสำนึกผิดในกรรมอันร้ายแรงนี้ก็จะช่วยให้เขานี้กลับมาได้ใหม่แต่ต้องไปรับผลกรรมในนรกก่อนหลังจากพ้นจากกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะสามารถมาปฏิบัติธรรมต่อไป เพื่อให้ได้บรรลุปเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าต่อไปได้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือโทษของการที่เราไปหลงอยู่กับพลัง mm hmm. หรืออำนาจของอุปจารสมาธิอย่าไปคิดว่าเราเก่ง mm hmm. ที่เรามีตาทิพย์มีหูทิพย์ที่เรารล่ลึกชาติได้ที่เราอ่านความคิดของคนนั้นของคนนี้ได้หรือเหาะเหินเดินอากาศได้ yeah. พลังเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทําลายกิเลสตัณหาได้เลยต้องเป็นปัญญาแะการที่จะมีปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาที่มีอุเบกขาเป็นผู้สนับสนุนถึงจะเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนาไมายะปัญญาปัญญานี่มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่า สุตตะมัยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเช่นวันนี้ญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มาฟังได้สองแบบฟังเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างที่ได้อธิบายก็คือให้มีสติอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อย <c oughs> เพื่อระ ง, งับความคิดปุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเสียงธรรมไป เมื่อใจไม่ได้คิดอะไรเกาะติดกับเสียงธรรมไปใจก็เข้าสู่ความสงบได้แต่สำหรับบางท่านอาจจะอยากจะฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมามก็ฟังแล้วก็ต้องคิดตามพิจารณาตา ม, มเรื่องราวต่างๆที่เล่ามาให้ฟังฟังแล้วก็ต้องเข้าใจถึงเหตุถึงผลว่าเป็นอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรมีความแตกตา่างกันอย่างไรเช่นสมาธิมีมม มีอัปปนาสมาธิจิตที่รวมแล้วนิ่งสงบอยู่เฉยๆกับจิตที่นิ่งแล้วไม่อยู่เฉยๆไปเป็นไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์<ม>เรียกว่าอุปจารสมาธิ<ม>และฟังแล้วพิจารณาแล้วก็เข้าใจเห็นถึงเห็นคุณเห็นโทษของสมาธิสองแบบนี้<ม>ถ้าอุปจาระสมาธินี้โทษก็คือจะทำให้ติด อยู่ในตายพบอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ เ, เพราะจะไม่มีความสามารถที่จะไปพัฒนาปัญญาที่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือจากการกา ร, การพิจารณาให้กลายเป็นภาวนามาย์ปัญญาการจะมีภาวนามาย์ปัญญาได้จิตจะต้องมีสงบมีสมาธิในในระดับอับปปนาสมาธิ เป็นจิตที่นิ่งที่เป็นกลางที่ปราศจากอคติปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้แหละถึงจะสามารถที่จะเอาปัญญาที่ได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมจากการพิจารณาธรรมต่างๆมาใช้ในการกําจัดสังโยชน์นึกตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ปัญญานี้ เบื้องต้นเราก็มาเจริญสุตตะมยปัญญาก่อนถ้าเราฝึกสมาธิได้แล้วเราสามารถเข้าสมาธิได้บางเวลาเราก็เปลี่ยนจากการฝึกสมาธิมาการเป็นการฝึกปัญญาแทนเช่นเราไปฟังเทศฟังธรรมก็ได้หรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้ถ้าอยากจะฟังคำสอนของอยากจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปอ่าน เทศนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจักรกับประวัตนะสูตรมงคลสูตรสติปัฏฐานสูตรการอ่านพระสูตรเหล่านี้เรียกว่าเป็นสุตตมัยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาพระสูตรต่างๆถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีการต่างๆของการพัฒนาจิตใจจากระดับอุตุชน ให้ขึ้นมาเป็นระดับระดับอริยบุคคลการที่จะพัฒนาต้องพัฒนาจิตใจจากระดับของการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพจากการเป็นเทพให้ไปสู่การเป็นพรหมแล้วจากการเป็นพรหมถึงจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นพระอาริยบุคคลขั้นหนักๆได้ไม่ใช่อยู่ดีๆนั่งสมาธิปุ๊บ จิตว่างวบหนึ่งก็บอกโอ้ยถึงแล้วถึงนิพพานแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่านิพพานเป็นอย่างไรและการจะไปถึงว่านิพพานได้ต้องต้องทำอะไรบ้างอย่างไรคิดว่านั่งเฉยๆนั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็อาจจะเพ่งอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งพอจิตว่างวับขึ้นมาก็โอเห็นแล้วเห็นธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วใช่ธรรมที่เห็นมันมีหลายระดับด้วยกัน การที่จิตสงบแวบหนึ่งนี้ก็อาจจะเป็นอุปอาจจะเป็นคณิกะสมาธิก็ได้จิตสงบลงชั่วหนึ่งขณะชั่วระยะเวลาหนึ่งเวลาเวลางูแลบินหรือเวลาที่ฟ้าแลบสำหรับผู้ที่ฝึกสตินั่งสมาธิใหม่ๆก็อาจจะได้แค่คณิกะสมาธิก่อน แล้วอย่าไปเหมาว่าคันี้กะนี้สมาธินี้กลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาทันทีกลายเป็นโสดาบันขึ้นมากลายเป็นสกิทาคาเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้มันยังเพียงแค่จุดเริ่มต้นทนั้นเองยังมีงานต้องทําอีกเยอะไม่ใช่อยู่ดีๆจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะบรรลุขั้นต่างๆขั้นโสดาบันนี้ก็ต้องพิจารณา ให้เข้าใจถึงขันห้าว่าละอะไรคือขันห้าแล้วขันห้านี้เป็นอะไรถ้ายังไม่รู้จักขันห้าเลยอยู่ดีๆก็บอกว่าบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันก็ละขันห้าได้แล้วละยังไงถึงเรียกว่าละขันห้าได้ก็ไม่รู้เป็นเจนาว่าขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือรูปประฐานนามรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอยู่ห้าอาการรูปประขันก็คือร่างกายที่มีอาการสามสิบสองเนี่ยที่เรามองเห็นกันนี้คือรูปประขันส่วนอีกสี่ขันนี้เป็นเป็นขันที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเช่นเวทนานี่เราไม่สามารถใช้ตามองได้ว่าว่ามันความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ มันอยู่ตรงไหนต้องรู้ด้วยใจใจถึงใจเป็นผู้รับรู้เรื่องความสุขความทุกข์ของเวทนาสัญญาก็คือความจาได้หมายรู้ใจก็ต้องเป็นผู้เป็นผู้รับรู้เรื่องความจาได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งก็เป็นเรื่องของใจที่จะรู้ได้ตาหูจมูกจินกานี้ไม่สามารถรู้เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณได้ วิญญาณก็ผู้ที่ส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมูกมิ้งกายเพื่อที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกมิ้งกายแล้วส่งไปให้กับใจอีกทีหนึ่งสรุปก็คือขันห้านี้ก็คือจะกายกับใจนั่นเองอกายกายก็คือรูปประขันส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามขันนะ นามขันนี้อยู่ที่ใจร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละค น, เ ป, นเป็นคนสองคนเป็นเหมือนกับคนมาแต่งงานสามีภรรยาคนครอบครัวนี้ต้องมีสามีมีภรรยาถึงจะมีครอบครัวได้ถึงจะมีลูกได้ไดังนั้นการที่จะมีการเกิดในโลกนี้ได้ก็ต้องมีการรวมของ สามีและพัญญาคือกายกับใจต้องมารวมกันมาทําหน้าที่ร่วมกันเป็นเหมือนกับการก่ อ, อสร้างก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบางทีบริษัทหนึ่งนี้จะทําตามลําพังก็ทําไม่ได้ต้องอาศัยกําลังของอีกบริษัทหนึ่งก็มีสองบริษัทมาร่วมกันตั้งร่วมทุนกันเพื่อมาสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาอันใดชีวิตของพวกเรานี้ก็มี ผู้ร่วมทุนสองผู้สองสองพวกด้วยกันพวกหนึ่งก็คือพวกกายร่างกายที่มีอาการสาสิบสองที่ทำมาจากดินพระดินน้าลมไฟนี่เราเรียกว่ารูปประขันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขันแล้วก็ใจนี้ก็มามาเกาะติดมาเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยด้วยวิญญาณขันวิญญาณขันนี้เป็น เป็นตัวที่ส่งกระแสจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะเวลาที่ตาหูจมูกนิ้งกายไปสัมผัสเข้าพอตาไปสัมผัสกับรูปปั๊บรูปมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ที่ใจด้วยตามกระแสของวิญญาณขันพอเข้า พ, พอรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเข้ามาทาง ข้ามาถึงใจแล้วใจก็ต้องเริ่มใช้สัญญาความจำได้มาให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปของใครเป็นรูปดีหรือไม่รูปดีเป็นคุณเมือเป็นโทษอันนี้จะเป็นหน้าที่ของสัส ญ, สญญาสัญญาขันเบื้องต้นก็เป็นวิญญาณขันทําหน้าที่ก่อนวิญญาณขันไปไปเชื่อมต่อ กับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายแล้วพอรูปเสียงกลิ่นรสผดจัพระมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะวิ่งผ่านทางวิญญาณขันเข้ามาที่ใจใจเป็นผู้รู้เป็นผู้เดียวที่รู้นอกนะั้นไม่มีใครรู้อะไรนะรูปประขันก็ไม่รู้อะไรเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่รู้อะไรผู้ที่รู้คือใจแต่ผู้ที่จะรู้ว่าเป็นอะไรนี้ต้องอาศัยสัญญา ลัญญาก็จะเป็นผู้บอกว่าเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้เคยเจอกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนถ้าไม่มีอยู่ในความจาก็บอกคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อน lui. ไม่รู้ว่าเขาดีหรือชั่วแต่อย่างไราสาหรับคนที่เคยพบกันแล้วเคยรู้จักกันแล้วก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาดีหรือไม่อย่างไรก็จะรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของนามขันอันที่สาม เบื้องต้นใช้หน้าที่ของของรูปประคันคือตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกายไปรับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วผู้ที่ทําหน้าที่ลําดับที่สองก็คือวิญญาณหักขันผู้ที่มีกระแสรับรู้รับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้กับใจเป็นผู้รู้อีกทีหนึ<ม>่งตัววิญญาณก็ไม่รู้ว่าตัวเองรับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาเพียงแต่มีหน้าที่รับมาก็รับมาเป็นเหมือนบุตรไปสเสน่ ที่ส่งของหรือรับของส่งนี่ไม่รู้ว่าของที่ส่งนี้เป็นอะไรเป็นแต่รู้ว่าเป็นเป็นของเท่านั้นเองวิญญาณนี้ก็ไม่รู้เป็นไม่รู้ว่ารูปเสียงกดลดิ่นรสเป็นรูปเสียงกดลิ่นรสอย่างไรรู้แต่ว่ามันเป็นรูปเสียงกดลดิ่นรสมีหน้าที่รับมาให้ใจก็รับมาพอมาถึงใจใจก็ใช้สัญญาขันที่ขันที่สามสัญญาคือความจำได้ไหมายรู้มามามาดู ว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเคยเห็นรูปนี้เป็นเสียงนี้ปั่งถ้ามีนขอยู่ในความจาก็จะรู้อ่เป็นรูปคนนั้นรูปคนนี้เสียงคนนั้นเสียงคนนี้แล้วก็จะรู้ว่าอ่เป็นคุณเมื่อเป็นโทษกับตนเองพอรู้ว่าเป็นคุณก็จะเกิดเวทนาคือสุขเก็เวทนาขึ้นมาพอรู้ว่าเป็นโทษก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา อ, อันนี้ขันที่สี่ที่ที่ทางานต่อ ขันที่หนึ่งที่ทํางานก็คือตาหูจมูกนิ้นกายคือรูปประคันตามด้วยวิญญาณขันเวิญญาณขันก็รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสรับรู้มาให้เข้ามาที่ใจพ้อมเข้ามาอยู่ในใจสัญญาขันที่สามก็มาทํางานถทำว่าตอนนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามานี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่มีคุณหรือมีโทษดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้ามีคุณก็จะเกิด ขันที่4ี่ปรากฏขึ้นมาก็คื อ, อ, อเวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นตามการตามการวิจัยของสัญญาขันสัญญานี่เป็นผู้วิจัยว่าดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เป็นต้นหลังจากที่วิจัยแล้วก็จะเกิด วิคระวิจัยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเป็นคุณก็เกิดสุขขึ้นมาถ้าเป็นโทษก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพอพอเกิดเวทนาขึ้นมามันก็จะทำให้สังขารต้องมาคิดแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรดีสังขาร น, นี้เป็นขันธ์ที่5สังขารก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจไปสัมผัสรับรู้ ถ้าเป็นคุณก็จะสั่งให้ร่างกายไปเอามาอ่าสิ่งนี้ดีเห็นกระเป๋าสวยๆเห็นรองเท้าสวยๆก็เกิดความอยากได้เกิดสุขคเวทนาพอเกิดสุขก็อยากจะให้สุขนี้อยู่กับใจเป็นนานใาจนก็จะใจก็จะสังขารก็จะสั่งให้ร่างกายไปซื้อไปซื้อของชิ้นนั้นมาทันทีถ้าเกิดไปเจอของที่สกรปรก ไปเจอกองขยะเรือไปเจอกองอุจจาระนี่ก็จะเกิดสังขารก็จะสั่งว่าเอาไปกำจัดมันเสียตาก ม, มันไปทิ้งเอาน้ำมาล่าหรือมาทาอะไรให้มันหายไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสังขาร น, นี่แหละคือฐันห้าที่พวกเราที่พวกเรามีอยู่กันทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ขันห้ามันทางานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา พอเราเห็นลูกกระไรขึ้นมาเราก็อยากได้หรือไม่อยากได้ขึ้นมาพออยากได้ก็สั่งให้ไปเอามาพอตื่นขึ้นมาพอนื่พอนึกถึงเครื่องดื่มกาแฟขึ้นมานี่มันก็สั่งให้ไปหากาแฟมาดื่มนะฮะนี่ก็คือสิ่งคือเรื่องของขันห้าเราต้องเข้าใจขันห้าก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วมันทำงานอย่างไรแล้วมันมีตัวตนหรือไม่อันนี้เราต้องศึกษา เบื้องต้นรู้ว่าขันห้ามันมันมันมีหน้าที่มันทํางานอะไรของมันอย่างไรแล้วเรามาพิจารณาต่อว่ามันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเช่นรูปประขันคือร่างกายนี้มันเป็นของเที่ยงไหมของที่จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดหรือไม่อถ้าเราพิจารณาดูรูปประขันล้วก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย ถ้าเราไปยึดไปติดกับขันรูปขันอยากให้มันอยู่ไปนานๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ก็ดีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเวลาร่างกายตายก็ดีใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีทุกข์เพราะว่าอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายไป รับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ให้เราเสกเราคือใจเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี้ไปทำไมก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นที่บ้านที่ทางานเห็นทุกวันมันจาเจมันเบื่อนาย เห็นแล้วมันไม่ตื่นตาตื่นใจไม่เกิดสุขเวทนาเราต้องเปลี่ยนที่ไปไปที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่บ้านเราที่ทํางานของเราก็แล้วกันพอเราได้ไปที่แปลกที่ใหม่เห็นอะไรแปล ก, ปกๆกใหม่ๆได้ยินเสียงอะไรแปลกๆใหม่ๆมันก็เลยทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเนี่เราติดสุขเวทนาและการที่เราจะมีสุขเวทนาให้เราได้เสพอยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้วกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงร่างกายนี้เจ็บไข้ไม่ได้นะป่วยไม่ได้แก่ไม่ได้เพราะเวลามันป่วยมันก็ไปไหนไาไหนมันก็ลําบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนัน่งนอนอยู่กับบ้านเวลาตายก็ต้องเข้าโรงพยาเป็นสิ่งที่ใจไม่ต้องการให้ร่างกายเป็นแต่ใจก็ห้ามมันไม่ได้ รานนี้คือธรรมชาติของร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวที่มันจะต้องมีวันสิ้นสุดไปไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. การที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องนี่และก็ต้องมาพิจารณาขันห้าว่ามันไม่เที่ยงรูปร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายสุขเวทนา mm hmm. ก็เป็นของไม่เที่ยงที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่เที่ยง กาถ้าไม่มีร่างกายสุขเวทนามันก็หายไปแต่เราอยากจะให้มันมีสุขเวทนาไปเรื่อยๆพอมันหายไปมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับขันห้าก็คือเราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือธรรมชาติของขันห้ามันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย สัจเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดดับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วถ้าเวลาที่ไม่มีร่างกายเลยเวลาที่ร่างกายตายไปสุขก็เวทนาก็หายไปไม่มีให้ไม่มีสุขเวทนาให้เสพอีกต่อไปถ้าอยากจะเสพสุขเวทนาไปเรื่อยๆพอไม่มีสุขเวทนาให้เสพใจก็ทุกข์ขึ้นมา วิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับขานห้าก็คือต้องเข้าใจว่าขานห้านี่มันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายหรือมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเปลี่ยนไปถ้าเป็นเวทนาก็มีสุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วจากไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นมาเป็นเป็นทุกข์สลับกันไปอยากทุกข์ไปเป็นสุขจากสุขจากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ เมตตามอางวันเราก็มีความรู้สึกสุขเห็นสิ่งที่ดีๆที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาบางวันไปเห็นใจสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถสั่งให้มันเห็นอะไรแล้วทาให้เราสุขได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราเห็นเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้เวิตรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ทาที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสไปรับรู้มามันก็มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีก็เป็นรูปที่ดีบางทีก็เป็นรูปที่ไม่ดีบางทีก็เป็นเสียงที่ดีบางทีก็เป็นเสียงที่ไม่ดีเน yeah. ี่ยสรุปแล้วเราต้องเข้าใจว่าขันห้านี่มันเป็นของแปรปวนเปลี่ยนแปลงจะไปยืดให้มันอาศัยให้มันให้ให้มีแต่ความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์สลับก <|no|> ันไปสลับกันมาถ้าใจเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเนี่ย เราต้องอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราอย่าไปอยากให้มันมีแต่ความสุขอย่างเดียวขานท่านี้มันมามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์มีทั้งร่างกายมีทั้งแก่มีทั้งเจ็บมีทั้งตายเจ็บก็เป็นทุกข์ก็เวทนาไม่ไม่สุขไปตลอดตอนนี้เราอาจจะไม่เจ็บตอนนี้อาจจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีทุกข์ก็เวทนาแต่ เรามีแต่สุขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขกเวทนาแต่วันดีขึ้นดีขึ้นมาเดี๋ยวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทุกขกเวทนาก็จะเข้ามาแทนที่แล้วเราห้ามันได้หรือเปล่ามันควบคุมสั่งมันได้หรือเปล่ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตาคําว่านัตตาก็คือมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้ามันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติ มันมาจากมันเกิดดับก็ดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามธรรมชาติของมันแต่ละอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดมันก็เกิดเวลาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดมันไม่มีมันก็ดับเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงสลับขั้วกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปสัมผัสรับรู้บางทีก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ดี วนไหนที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกิเรสที่ดีก็มีอารมณ์ดีมีความสุขใจบางวันไปเจอกับรูปเสียงกิเลสที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็สั่งไม่ได้ว่าขอให้เจอแต่รูปเสียงกิเรสที่ดีดีขออย่างไรมันก็ขอไม่ได้เหมือนกับขอไม่ให้ฝนตกมันก็ขอไม่ได้ดินฟ้าอากาศมันก็มีการแปดป่วนเปลี่ยนไปบางวันฝนก็ตกบางวันฝนก็ไม่ตกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ทั้งหมดนี้คือสรุปให้เรามองให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายก็เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันแล้วก็มามาจเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเต็มที่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอตายสิ่งที่มารวมตัวกันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็แยกออกจากกันไปร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไป เหนืออย่างมากก็เพียงแต่ส่วนที่เป็นดินเวลาที่เราไปเผาแล้วธาตุธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมันก็จะหายไปหมดเหลือแต่ธาตุดินก็คือเศษกระดูกนี่คือธรรมชาติร่างกายเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นเป็นธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รูปที่เราเห็นเนี่ยมันธรรมชาติเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเสียงที่เราได้ยินก็ธรรมชาติเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเราไม่สามารถไปสั่งธรรมชาติให้ผลิตแต่รูปเสียงกดลดิ่นรสที่ที่ทําให้เรามีแต่ความสุขไปตลอดไม่ได้ธรรมชาติมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดรูปเสียงกดลิ่นรสที่เป็นสุขก็ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพที่เป็นทุกข์ก็ได้เป็นน้ําท่วมตอนนี้ที่ทางภาคเหนือเนี่ยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พอเราไปสัมผัสกับน้ําท่วมขึ้นมาใจเราก็ทุกขึ้นมาทันทีเวทนาทุกขเวทนาทก็เกิดขึ้นทันทีทุกทุกยากลําบากต่างๆเราต้องเข้าใจว่าเป็นขันห้านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมไปบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับมันก็ต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปน้ําจะท่วมก็ห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันท่วมไปก็อยู่กับมันไปเปรียบวิธีอยู่ แทนที่จะอยู่กับบ้านก็อยู่กับเรือไปทำอะไรมาลอยให้มันอยู่เหนือน้ำอยู่ทำเป็นแทอยู่คนไปปรับปรุงได้ถ้าอยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีอยู่อย่างสุขอย่างสบายขนาดไหนก็ดีถึงเวลามันก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็ต้องมองว่ามองสัตย์จะตามความจริงของชีวิตว่าไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องจบลงที่ความตาย แต่เราเราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งขณะที่เป็นขณะที่ตายโดยมไม่ทุกข์ได้ถ้าเรารู้เรารู้ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดจากความอยากของใจเราเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมไม่เป็นตามที่ใจเราอยากใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นสิตอน น, นนตอนนี้มันท่วมก็ให้มันเป็นตอนนี้มันท่วมก็อยากให้น้ําท่วมสิ พอเราอยากให้น้ำท่วมใจเราก็ได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากให้มันไม่ท่วมแล้วมันท่วมเนี่ย ม, มันก็จะทำาห้ใจเราทุกข์เพราะเราไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกสอนใจให้รวางใจเฉยๆอย่าไปอยา ก, ยากถ้าใจไม่ไปอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรที่ใจทุกข์ก็เพราะใจไปอยากให้มันมีแต่สุขอย่างเดียวในโลกนี้ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ ในโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปเปลี่ยนกันไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนียวันนี้ตั้งแต่เช้าขึ้นมาถึงถึงตอนเนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากี่รอบแล้วบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันเรื่อยๆถ้าใจเราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปมีความอยากกับมันปับแล้วไม่ได้ดังใจอยาก ตอนนั้นแะใจก็จะทุกขขึ้นมาทันทีนนวิธีที่เราจะละขันห้าไม่ยึดไม่ติดในขันห้าก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นปรากฏ ก, การณ์ทางธรรมชาติร่างกายนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรรมาจากธาตสีด่ดินน้ำลมไฟเมทนาสัญญาสังขารมิญญาณก็เป็น ปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้รื่องเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั้นใจก็ไม่มีตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่สังขารไปสร้างตัวตนขึ้นมาไปคิดขึ้นมาว่าเป็นตนเท่านั้นแต่ความจริงเราไม่มีตัวตนทุก อ, อย่างเป็นเรื่องของการทํางานทําหน้าที่ของธรรมชาติแต่ละหน้าที่ ร่างกายก็มีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาวิญญาณก็มีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายมาที่ใจแล้ววิญญาณอสัญญาก็มีหน้าที่วิเคราะห์วิจัยว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นอะไรดีหรือไม่ดีก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเกิดสุขเกิดทุกข์ก็มีความโง่ความอยากก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆไม่อยากให้มันทุกข์แต่ไม่มองความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราว สุขก็สุขเดียเดยกกเด๋ยวเดียวทุกข์ก็ทุกข์เดี๋ยวเดียวมันสลับไปสลับมาถ้ารู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงก็อย่าไปหยากมันอยู่กับความเป็นจริงแบบตอนนี้สุขก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวสุขหายไปก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวทุกข์เข้ามาแทนที่ก็อยู่กับมันไปถ้าทําใจให้นิ่งเฉยๆแบบนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะปล่อยวางขันห้าได้อย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเป็นท่าโซดาบางได้ อยู่กับขันท่าโดยไม่มีความอยากไม่มีความอยากจะให้มันอยู่อยากให้มันไปอยู่กับมันไปมันจะมาก็อยู่กับมันไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปไม่ใช่เวตามันมามันสุกมาก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆพอมันไปก็อยากจะให้มันกลับมาพอมันไม่กลับมาก็ทําให้ทุกข์ขึ้นมาทันทีต้องวางใจให้เฉยปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทําใจให้เป็นอุเบกขานี่แหละที่เราต้องต้องมีอุเบกขาต้องมีอัปปนาสมาธิเพื่อที่จะได้เอา มาสนับสนุนปัญญาที่สอนใจให้เราปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปอยากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้มันให้ความสุขเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ได้เดี๋ยวความทุกข์หมดไปความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แล้ว้องปรับใจวางใจเฉยๆให้อยู่กับ เวทนาได้ทุกรูปแบบสุขเวทนาก็อยู่ได้ทุกเวทนาก็อยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็อยู่กับมันได้อยู่แบบเฉยๆนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่ทุกทําให้ใจเราบรรลุทําได้เนี่ยก็อยู่ตัวที่ตรงนี้อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นโสดาบันต้องรู้จักขันห้าต้องรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงต้องรู้ว่าวิธีปฏิบัติกับขันห้าก็คือต้องใช้ใจที่เป็นอุเบกขาวางเฉย อย่าไปอยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพออยากปั้บใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเครียดขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเฉยๆแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์อย่างใจที่ไม่ทุกข์นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรม ฟังแบบสมาธิก็ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรคอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้เกาะติดอยู่กับธรรมเสียงธรรมใจก็จะไม่คิดอะไรใจก็จะสงบได้นิ่งได้อาจจะไม่รวมเปน็นอันปานาแต่ก็สงบระงับจากความฟุ้งซ่านต่างๆได้ทำให้ใจเบาใจเย็นใจสบายแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติสมาธิต่อไปได้ด้วยการดูวมหายใจเข้าออก แล้วต่อไปเราก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้าเราฟังเพื่อปัญญาเราก็คิดตามพิจารณาตามคิดไปครับถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดสมาธิถีเกิดปัญญารู้แล้วว่าออวันนี้พูดถึงเรื่องฐันห้าว่าไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากกับมันมันจะมามันจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริง อย่าประหยัดให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ น, นี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็<อ><ๆ>คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปริกุเรนเตสาคารังเอวามวะอิโตชินางเปตานาังอุปกปติ เอขี่ตังปะที่ตังตุมหังเขปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทมนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตผวะตะวันตาลายโสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาประจายโนจตารธรมมวาทานเตอายุวันโอสุข้างหาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 กรับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ371ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 372 YouTube Dr. V ร56วิทยุออนไลน์10คลับเฮา3นักกุ165ท่านรวมทั้งสิ้น977ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนักกุค่ะ ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ครบ้วนตามปัจจัยสี่อีกทั้งยังให้เงินท่านไว้ใช้ทุกเดือนแต่เมื่อท่านใช้เงินหมดจึงมาขอลูกเพิ่มเสมอลูกไม่สามารถให้ได้เพราะหากให้ไปเงินจะไม่พอใช้จนถึงสิ้นเดือนแต่ท่านก็มาขอทุกเช้าเย็นและเมื่อไม่ให้ท่านจะด่าเสียงดังว่าเป็นลูกอักตันยูท่านเป็นลูกจิตเวทค่ะลูกพูดโทเข้าสู้เสมอแต่พอหลายวันเข้าลูกทนไม่ไหวจึงยอมให้เงินไปแต่ เพียงสองสาวันท่านก็มาขออีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเงินลูกไม่พอใช้ลูกไม่เคยซื้อของฟุ่มเฟือยเลยแม้แต่ของใช้จำเป็นบางอย่างก็ไม่สามารถซื้อได้จึงต้องไปขอหยิบยืมคนอื่นเพื่อมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่หรือควรทำอย่างไรคะก็ให้มันสมเหตุสมผลก็กักนก็มีประมาณพอประมาณถ้ามากเกินไปมันก็ เป็นโทษทั้งผู้ให้และผู้รับก็ได้พราะผู้รับผู้ให้ก็จะวาจะก็จะลําบากผู้รับก็อาจจะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความจําเป็นแต่ถ้าให้ถ้ามันไม่พอจริงๆเพราะความจําเป็นมันต้องมีต้องใช้อันนี้ก็อาจจะต้องยอมเสียสละเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เขาเลี้ยงเราเขาก็เลี้ยงเรามาอย่าง อย่างเต็มที่อย่างเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรา mm. ก็ต้องดูเหตุผลว่าการใช้จ่ายของเขานี่ mm. พอเพียงไหมขาดแคลนหรือไม่ mm. ถ้าขาดแคลนเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเพิ่มถ้าเราเพิ่มได้ mm. ถ้าเราเพิ่มไม่ได้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของของเขาไปก็แล้วกันว่าเราทำได้เท่านี้เองช่วยได้เท่านี้เอง mm. ต้องใช้เหตุใช้ผลดู mm. มาสการครับผมอยากจะทราบเหตุว่าเหตุของเหตุใดพระโสดาบันจึงจะต้องมีเหตุอีกเจชาติสามชาติและ1ชาติเหตุนั้นคือเหตุอะไรครับเหตุก็คือยังมีงานต้องทำต่อไงทางโย์มันมีอยู่10ข้อโสดาบันรับได้แค่3าข้อมีแค่เจ็ข้อมันทำข้อสองมนคนท ำ, ทำจบปริญญาเองบางทีต้องใช้หปีบ้างเจดปีบ้างแล้วแต่ว่า จะทุ่มเทให้มากให้น้อยบางคนเป็นโสดาบันรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติทิ้งการปฏิบัติไว้ก่อนเ็นพระอานน์นี่ท่านก็เป็นพระ โ, โสดาบันแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้มารับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีเวลาไปปฏิบัติต่อเข้า mm hmm. มาคอยรับดูแลพระพุทธเจ้าอุปถัมพระพุทธเจ้าก็เลยเสียเวลาไปหลายยี่สปีเนี่ยนะที่ไม่ได้ก้าวหน้าไง แต่พอหลังจากที่ผู้เจ้าท่านเสด็จสวรรค์โคตรไปสเสด็จพลินิพพานไปพ่ะ อ, อาหนุนก็มีเวลาว่างก็ไปทําต่อสามเดือนก็บรรลุปเป็นพระแลนวอยู่ที่จะทําต่อหรือไม่บางคนมีภารกิจเสวนาบัณบางคนอาจจะเป็นอุบัติเหตุตายไปก่อนก็ได้ mm hmm. ขับนั่งรถไปแล้วลถความตายไปอย่างนี hmm. ้ก็ต้องไปทําต่อชาติหน้า ชาหนนะ้าจะกลับมาจะโลกระบาดตายก่อนก็ได้มันก็เลยตตนไม่ เ, เกินเจ็ดชาติเขาว่าอย่างมากก็ไม่ เ, เกินเจ็ดชาติเข า, าจะต้องถึงถึงพระนิพพานได้ครับสาธุครับคำถามจะพู้รับฟังนาะกรุดค่ะ พลังของสติสมาธิที่เป็นสติภละสมาธิภละสามารถพร่งไปได้เหมือนกำลังของสมาธิที่ถูกใช้ไปในชีวิตประจำวันหรือไม่คะและจะรักษาไว้อย่างไรให้เป็นสติอินซีสมาธิอินซีคะก็ต้องเจริญบ่อยๆสติก็ต้องเจริญให้มากขึ้นผูปฏิบัติถ้อทำการจะให้อินซีกลายเป็นภละนี้ต้องเจริญทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ปล่อยให้ใจไปคิดด้วยเปื่อยให้อยู่กับพุโทโธรือยอยู่กับการทำงานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้คิดไม่ให้มีความคิดปรุงแต่้วเวลานั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นพระเป็ น, เ ป, นเป็นพระเป็นพระงถ้าเป็นเอ็นซีนี้มันยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้ยังไม่รวม คำถามจากทาง Facebook ค่ะพอเราได้อัปนาสมาธิหลายครั้งแล้วเราต้องทําอย่างไรต่อไปคะขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยค่ะก็ไปละสังโยชนะสกายยทิฏฐิว่าร่างกายขานห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันแก่โดยที่ไม่สะทกสะท้านเวลาเจอความแก่ก็เฉยเวลาเจอความเจ็บข้ายได้ป่วยก็เฉยเจอความตายก็เฉย แต่ไม่ได้หมายควาว่าไม่ให้ดูแลร่างกายยังดูแลได้ก็ดูแลไปแก่ก็ ย, ยังต้องเลี้ยงดูร่างกายไปก็ทําไปเจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาได้ก็รักษาไปจะตายถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้ายัางป้องกันตัวได้ป้องกันไม่ให้มันตายได้ก็ป้องกันกันไปแต่ใจไม่ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอมองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็ว่าร่างกายนี้เหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนไหมฉันใดเราต้องมองร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาแก่เราไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาตายไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นฉันนั้นคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ เมื่อก่อนเคยจ้างแม่บ้านมาทำงานบ้านให้เขาเอากรงดักหนูพอดักแล้วเขาเอาหนูไปถ่วงน้ำยี่สิบกว่าตัวเลยโดยเราไม่รู้และไม่ได้สนใจว่าเขาจะเอาไปทำอย่างไรแบบนี้เราบาปด้วยไหมคะถ้าเรามาไม่เขาไปโดยที่ไม่สั่งเขามันก็ไม่มีเจตมันก็เป็นความวกร่อ้าทางนี้เีต้องําชาบก่อนแ้ะต้องรู้ก่อนว่าเขาจะเอาไปทาอะไร ถ้าจะเาเขาจะเอาไปฆ่าเราก็ไม่ควรที่จะมอบให้เขาไปเราควรที่จะเอาไปปล่อยเองดีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาไม่ได้สั่งเขาโดยตรงนี้ยังไม่ถือว่าบาปแต่มันก็เป็นกรรมของสัตว์ที่มันจะต้องมาตายเพราะความสอบเข้าของเรา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวะลานั่งสมาธิหนูไม่ทราบว่าอะไรเรียกว่าคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิหนูเพียงแต่ว่าสงบนิ่งสบายดีแค่นี้ได้หรือไม่เจ้าคะได้แต่มันยังไม่ถึงขั้นเต็มที่การสงบก็อย่างที่บอกมันมีหลายระดับด้วยกันแต่ถ้าพอใจขนาดนี้ก็ไม่ว่าอะไรมันก็มันก็ได้แค่นี้ แต่ยังมันยังต้องไปอกไกลเหมือนเรียนหนังสือเนะี่ยเรียนแค่สองจุดก็ผ่านเหมือนกันก็สอบผ่านเรียนสามจุดมันก็ผ่านสี่จุดมันก็ผ่านแต่ผลที่จะเกิดมันต่างกันคนสี่จุดนี้ไปทําอะไรก็มีแต่คนยินดีตอ้อนรับไปทำ ง, งานเขาก็เลือกคนสี่จุดก่อนเขาไม่ไปเลือกคนสองจุด คำถามข้อที่สองค่ะเวลานั่งสมาธิจำเป็นต้องได้ฌานหรือไม่เจ้าคะหนูเห็นคนปฏิบัติพูดเรื่องฌาน จ, จึงรู้สึกว่าฌานคืออะไรแล้วทุกคนต้องได้ฌานหรือไม่เจ้าคะอ่านั่งสมาธิเพื่อให้มันเข้าฌานสิไปนั่งทำไมก็ไปนั่งดูหนังแทนก็ได้ถ้าไม่ต้องการเข้าฌานนั่งสมาธิกา้จิตสงบความสงบนี่เรียกว่าฌานมันมีหลายระดับ ชั้นหนึ่งชั้น2ชั้นสาชั้นสี่ถึงชั้น 8, เนี่ยคือความสงบที่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปสงบมากขึ้นมากขึ้นไปมันเป็นขั้นขั้นไปยิ่งสงบยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากแล้วยิ่งมีพลังไว้ต่อสู้กับกิเลสได้มากขึ้นนี่คือเป้าหมายของการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมีพลังมีกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธต่างๆได้ ข้อที่สหนูปฏิบัติมา 7-8 ปดปีรู้สึกว่าการปฏิบัติหนูไม่ค่อยก้าวหน้าบางครั้งท้อแท้บางครั้งหึ้นสู้บางครั้งเจอสิ่งมากระทบก็สอบผ่านบางครั้งก็สอบตกหนูควรวางใจและปฏิบัติเช่นใดดีเจ้าคะเขาปฏิบัติแบบมวยวัดไม่มีไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนอยากจะนึกอยากจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ ผลมันก็เลยไม่มีพอจะไปต่อสู้กับทีเด็ ก, ก็สู้ไม่ไหวมันต้องปฏิบัติแบบมีรูปแบบรูปแบบก็คือขั้นต้นต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้มากสติยิ่งมากเท่าไหร่เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องทำให้มากๆทำให้เต็มที่ทำให้เต็มร้อยเช่นทำทั้งวันทั้งคืนอย่างี้มันต้องมีระดับของการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผลมันถึงจะมีมีผลมากขึ้นไปมีกำลังมากขึ้นที่จะทำอะไรต่างๆได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะลูกนั่งสมาธิฟังเสียงธรรมพระอาจารย์แทบทุกวันติดต่อกันมาสักพักลมหายใจเบาลงความโกรธจากที่เคยโกรธกับวางเฉยและรู้สึกวางเฉยกับหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นควรฝึกอย่างไรต่อไปโจคะก็ทําให้มากขึ้นทําให้เฉยได้มากขึ้นจน ก, กระทั่งไม่ไม่เดือดร้อนกับอะไรเลยใครจะเป็นใครจะตายใครจะด่าใครจะชมก็เฉยเฉยเพราะเราก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น คำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณชานศัก์ค่ะเวลานั่งภาวนาตรงที่ที่มียุงเยอะเราควรจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ทำร้ายยุงที่มากวนใจเราได้อย่างที่หลวงพ่อเคยมีเคยผ่านประสบการณ์มาขอรับข้อที่หนึ่งปล่อยให้เขากัดข้อที่สองหามุ้งมากางแล้วนั่งภาวนาอาะนั่นถ้าไม่ย้ห้มันกัดก็ต้องมีมุ้งมากาง ถ้าก็มีมุง้งอ่ะมันท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่ได้ไปนั่งแบบท่านก็มีโกรดโกรดก็คือร่มแล้วก็มีมุ้งที่ห้อยลงมาจากโร่มอีกทีเป็นเหมือนเต้นอ่ะเป็นเหมือนเต้นแต่ทําด้วยทําด้วยมุงมันจะได้สบายไม่ร้อนมีลมผ่านเข้าออกได้ถ้าเป็นเต้นมันอาจจะมันจาจจะร้อนได้สมัยก่อนพระทุดงท่านก็ใช้โกรดโกรดก็คือคือร่มกับกับมุ้งที่กางพาดลงมาจากจาก จากมุงอีกทีการแดดการฝนได้ด้วยเวลาฝนตกก็ไม่เปียกคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอเมตตาท่านพระอาจารย์อธิบายว่าวิ ญ, ญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเราจะพิจารณาอย่างไรเจ้าคะวิญญาณไม่ใช่ตัวสําคัญเอาไว้พิจารณาวิญญาณเป็นตัวที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาท่างนี้มันก็เปลี่ยนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสจ้ะ รับรูปดีมันก็เป็นวิญญาณที่ดีขึ้นมารับรูปไม่ดีมันก็เป็นท่านั้นเองมันก็เปลี่ยนไปตามตามรูปเสียงกลิ่นรสที่มันรับมามันก็เกิดเกิดดับดับเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ทํางานเวลามีรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสกับตาหูจมูกนี้วมืมันก็ทํางานมันก็มีการทํางานหยุดทํางานบ้างทนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันอัตโนมัติ คำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะผู้ปฏิบัติใหม่ยังไม่เข้าใจการดูลมเบื้องต้นอนาปนาสติต้องดูลมยังไงคะทําไม่เป็นค่ะหายใจเป็นหรือเปล่าหายใจเป็นก็ดูที่ปลายจมกูกดูลมที่เข้าที่ออกเอดูลมหายใจเข้าออคําถามจากทาง facebook ค่ะ ลูกทำให้แม่น้ําตาไหลเพราะลูกไม่เข้าใจที่แม่เป็นห่วงลูกจะบาปไหมคะแม่ไม่ถือสาค่ะถ้าไม่มีเจตนาตั้งใจให้แม่ทุกข์ก็ยังไม่บาปแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ควรที่กระทำจะมีเจตนาหรือไม่กระทมเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทำให้ท่านสะเทือนใจเพราะท่านรักเรามากท่านห่วงเรามาก สิ่งไหนที่เรายับยั้งได้ทาไม่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์สะเทือนใจกับท่านก็ควรที่จะยับยังง้งเลยคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะโยมละสังโยตได้ไม่กลัวแก่เจ็บตายเคยปล่อยให้ตายแล้วมันไม่ตายจึงไม่กลัวตายเลยร่างกายนี้ก็ไม่เสียได้เลยต้องทำอย่างไรต่อคะก็ไปขั้นต่อไป ขั้นต่อไปก็คือไปตัดกามารมณ์ตัดความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนอื่นถ้ายังมีแฟนอยู่ก็ต้องพิจารณาอสุภะร่างกายของแฟนว่าเป็นซากศพหรือมีอาการสาสองต้องเห็นโครงกระดูกของแฟนเห็นตับไตไส้พุงของแฟนถ้าเห็นอาการสาสสองของแฟนแล้วความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะหมดไปกามาการมาราคะก็จะหมดไป คำถามจากทางยู u ูบนะคะจากคุณรักถิ่นถามว่าพิจารณาอสุภายอย่างไรก็ดูอาการ32น่ะร่างกายเราเห็นแต่แค่ภายนอกเห็นแค่ผิวหนังแล้วก็เห็นว่ามันน่าดูน่าชมแต่พอเราผาผ่าร่างกายออกมามองเข้าไปข้างในมองภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นอาการต่างๆที่ไม่น่า totally> ดูน่าชม โครงกระดูกนี่เรากลัวไหยกลัวผีก็คือกลัวกลัวโครงกระดูกกันใช่ไหมแต่เรานอนกับโครงกระดูกทุกคืนเราไม่กลัวมันนะเราอยู่กับโครงกระดูกเนี่ยน่างกายเรามีมีใครบ้างไม่มีโครงกระดูกกันบ้างแต่กับไม่กลัวมันเพราะเรามองไม่เห็นมันนั่นเงพอเรานึกภาพว่าโอ้ยเราอยู่กับโครงกระดูกอยู่ต่อไปจะจะหนีไปไหนนั้นก็หนีไม่ได้อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดมันไม่มีอะไรน่ากลัวเั็นอย่างมันน่าเกลียดทั่นเ้งมองยินมองคนอื่นเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักเขา อย่าไปหลงนะว่าเขาน่าดูน่าชมน่ารักอยากจะมาเป็นแฟนกับเขาเลยพอเห็นอาการ312ขึ้นมามันก็มันก็ไม่อยากนะอยู่คนเดียวดีกว่ามีแฟนแล้วก็ทุกขุนหวายใจมีแฟนก็ต้องรักพอรักใครก็ต้องห่วงห่วงแล้วก็ห่วงเวลาเขาทิ้งเราไปก็เศร้าโศกเสียใจยิ่งพยายามอยู่คนเดียวได้เราจะไม่ทุกข์ใจแต่อยู่คนเดียวได้ก็ต้องเห็นอาการ312เลย S <S <an> <S เห็นว่าร่างกายกลายเป็นซากศพไปถ้าเกิดร่างกายของแฟนเราไม่หายใจวันนี้เราจะเก็บไว้ที่บ้านต่อหรือเปล่าไม่เก็บแล้วใช่ไหมอ่าย้อนใครสับปเปลือกเลยอ่แต่เวลา ย, ยังมีลมหายใจนี่ใครมาแตะไม่ได้เลยใช่ไมอ่ามันก็ร่างกายอันเดียวกันนี่แหละอยู่ที่เราจะมองว่ามองในรูปแบบไห น, นมองในขณะที่มีลมหายใจหรือมองในขณะที่ไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองอสุภะก็คือมองในขณะที่มันไม่น่าดู เวลาเป็นซากศพแล้วมันไม่น่าดูเพราะทิ้งไปงานแค่เดียวมันก็ส่งกลิ่นเม็นแล้วมันก็ต้องขึ้นอึดพองขึ้นมาอะไรต้องๆทำนองนี้นี่คือซากศพที่เราต้องนึกถึงร่างกายของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้มันจะตัดการมาราคะได้ตัดความอยากที่จะไปเสพกามได้คําถามจากทาง facebook ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในชานระดับไหนครับ ไม่ต้องรู้หรอมันไม่มีมันไม่เกวัดมืนรถยนต์เนี่รย ant, รถยนต์รถยนต์ม่มีเกวัดมันวิ่งเท่าไหร่ 46, 68, สี่สิบหกสิบแปดสิบแต่ในชานี้มันจะมีความสงบต้องทำไปบ่อยๆแล้วมันจะรู้ว่ามันเป็นอยู่ในระดับไหนมันมีความสงบมากสงบน้อยมันจะรู้ต้องมีประสบะการณ์แต่ถ้านั่งทั้งสองครั้งครั้งแรกมันไม่รู้ว่ามันอยู่ระดับไหนเพราะไม่รู้ว่ามันสงบมากขนาดไหน แต่นั่งไปเรื่อยๆคราวนี้มันสงบตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้านั่งมันสงบมากกว่านี้อ่อรู้ว่ามันมากกว่าหรือถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูดังหนังสือในตำราได้ท่านจะบอกคุณคุณสมบัติของความสงบแต่ละขั้นมันมีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีหรือเปล่าอั้นที่สองมีวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปิติปิสุขกับสุขอะไรทํานองนี้ต้องไปอ่านดูในตำราถ้าอยากจะรู้ แต่ความจริงไม่จาเป็นจะต้องดูก็ได้ขอให้มันสงบก็แล้วกันเหมืนกินข้าวนี่เราต้องไปเปิดตาดดําราดูว่าเรากินอิ่มขนาดไหนว่าเวลากินข้าวหนึ่งจานอิ่มขนาดไหนเวลากินสองจานอิ่มขนาดไหนไม่ต้องไปสนใจหรอกขอให้มันอิ่มก็แล้วกันแต่นั่งสมาธิก็ขอให้มันสงบให้มันมีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจก็ใช้ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าจะทําบุญกับพระสงฆ์ถวายยาแก้ไอที่มีผสมมีส่วนผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยเป็นตัวทําละลายแต่ยาช่วยแก้ไอดีมากมีสมุนไพรไทยชาเมและจีนที่ผ่านอยล์สบ่าบผิดศีลห้าหรือไม่คะคนถวายไม่บาปแล้วคนกินบาป <c oughs> แต่ถ้าถือว่ามันเป็นยา ก, ก็ไม่บาปก็ได้แล้วแต่จะไปถื อ, อยังไงถ้าถือว่าเป็นของมึนเมาดื่มน้้วเมาก็มันก็บาป แต่ถ้ากินเพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายไปมันก็เป็นยามันก็ไม่บาปมันต้องดูว่าการใช้ของมันใช้เพื่อประโยชน์อะไรการดื่มสุราที่ห้ามเพราะไม่ให้ดื่มแล้วมันมืนเมาแล้วไม่มีสติควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาถ้าถ้ามันเป็นของที่ผสมมากับอาหารหรือผสมมากับยาแล้วกินแล้วรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้ ถ้าเป็นอาหารกินแล้วทำให้ความหิวหายไปได้มันก็ไม่น่าที่จะผิดศีลแต่อย่างไรแต่สำหรับคนที่เถรตรงคนที่เข่งชัดเข่งเต็มร้อยก็เขาก็ไม่กินเขาก็รู้ว่ามีสุลาผสมอยู่หน่อยเขาก็ไม่เอาก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติแต่ละคนจะพิจารณาเอาแล้วกันหมดแล้วยั ง, ยงมีอยู่ค่ะคำถามสุดท้ายเลยเพราะว่ คำถามจากคุณดาดาค่ะทุกวันนี้เจริญมาราณาดุสติกับเจริญอสุภะตลอดไม่อยากกลับมาเกิดแล้วไม่เคยมีการมาราคะแต่ยังมีภาระต้องส่งลูกหลานเรียนแต่ไม่อยากกลับมาเกิดแล้วต้องทําอย่างไรคะไม่อยากกลับมาเกิดก็ใบบวชเลยทิ้งทุกอย่างไปล้วยังติดอยู่เนี่ยยังติดคนนั้นคนนี้ อ, อ, อ, อ, อยู่มันก็ยังกลับมาบวชเพราะยังมีความรักความอยากอยู่ต้องตัดทุกอย่างไปให้หมดสิ้นไปยากใจ คิดพิจารณามงนั้นุสติมันไม่ยังไม่รอบคอบคิดแต่ตัวของเราไม่คิดถึงตัวของลูกของหลานที่เราไปห่วงเขาเขาก็ต้องตายเหมือนเราอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วในวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องตายถ้ามีใครเลี้ยงดูแทนเราได้ก็ปล่อยเขาเลี้ยงดูกันไปแล้วก็ไปของเราก็ได้หมดแล้วนะวันนี้สําหรับแค่นี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ